การฟังเทศฟังธรรมมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เราได้ยินเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนได้รู้มาก่อนถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเราได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจ ดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้กำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิและจะทำให้จิตใจผ่องใสสงบเรื่องราวที่เราไม่ เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนก็คือเรื่องของจิตใจนี่เองจิตใจนี้เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นกันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราจึงไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรมีจิตใจหรือเปล่าหรือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย จิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัด น, นี้เราเห็นเราเห็นเพียงส่วนเดียวคือเห็นร่างกายแต่จิตใจเราไม่เคยเห็นเราก็เลยไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นอะไรกันแนะ่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แล้วไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นจิตใจเป็นคนละคนกัน ร่างกายเป็นคนหนึ่งจิตใจเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายนี้มีรูปร่างหน้าตามีอาการสามสิบสองแต่จิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีอาการสามสิบสองมีแต่ความรู้ความคิดมีแต่ความรู้สึกนึกคิด ผู้ที่คิดผู้ที่รู้นี้คือใจไม่ได้เป็นร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้มาพบกับร่างกายตอนที่เกิดการปฏิสนธิตอนที่เกิดการรวมตัวของธาตุของมารดาและธาตุของบิดา พอเกิดการประสมกันขึ้นมาดวงใจดวงจิตนี้ก็มาเกาะติดกับร่างกายที่ได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่จึงเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาแล้วต่อมาร่างกายก็ค่อยเจริญเติบโตในคันของมารดาแต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย ใจเพียงแต่ส่งกระแสวิญญาณทั้งห้าคือวิญญาณทางตาหูจมูกนิ้นกายมาเกาะติดอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นผู้ที่ไปรับภาพเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ใจได้รับรู้ ร่างกายนี้มีตาหูจมูกนิ้นกายแต่ร่างกายนี้ไม่มีความรับรู้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลทะที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสร่างกายเป็นเพลงแต่ผู้ทําหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วก็ส่งมาทางวิญญาณทั้งห้า คือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ไปให้ผู้รู้คือใจพอผู้รู้ได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมา ความรู้สึกต่อรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็มีอยู่สามความรู้สึกด้วยกันเกิดสุขเห็นรูปบางรูปก็เกิดความสุขเห็นรูปบางรูปก็เกิดความทุกข์เห็นรูปบางรูปก็ไม่เกิดความสุขไม่เกิดความทุกข์นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจหลังจากที่ ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลดพพกเข้าไปในใจพอเกิดความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาใจก็จะปรุงแต่งถ้าเป็นความสุขก็สั่งให้เก็บเอาไว้หรือไปคว้าเอามาถ้าเป็นความทุกข์ก็สั่งให้โยนทิ้งไป ให้หนีจากความทุกนั้นสั่งร่างกายให้เดินหนีถ้าเป็นความทุกข์ถ้าเป็นความสุขก็สั่งให้ร่างกายติดตามต่อไปถ้าเป็นความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยปล่อยมันไม่เดือดร้อนไปกับมันนี่คือการนทาหน้าที่ของใจโดยอาศัยร่างกาย เป็นผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผทธภัและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญอันนี้ก็ร่างกายเป็นผู้ที่ไปไปเห็นเข้าไปได้ยินเข้าไปรับรู้เข้าแล้วใจถ้ามีความสุข ก็จะบอกให้ไปหามาถ้าเห็นราบได้สัมผัสกับราบยศสรรเสริญแล้วเกิดสุขเวทนาขึ้นมาใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปหามาอยู่เรื่อยๆได้มาก็ให้เก็บเอาไว้รักษาไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้สูญหายไป นี่คือใจผู้ที่เป็นผู้สั่งการร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งดังนั้นตัวเราที่แท้จริงนี้จึงไม่ได้เป็นร่างกายตัวเราที่แท้จริงก็คือจิตใจ เพราะเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆไม่ใช่ร่างกายสั่งให้เราทำอะไรต่างๆเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ถ้าเราไม่สั่งร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้ร่างกายก็จะอยู่เฉยๆรอรับคำสั่งของเราแต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้เกี่ยวกับจิตใจ เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายตัวจิตใจนี่แหละไปคิดว่าเป็นร่างกายตัวรู้ตัวคิดนี่พอได้มีความเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายได้เกาะติดอยู่กับร่างกายก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายไปแล้วก็เลยมีความรักความหวงในร่างกาย เวลาร่างกายเป็นอะไรไป เ, เกิดทุกขเวทนาทางร่างกายใจก็เดือดร้อนออใจไม่อยากให้ทุกข์ไม่อยากให้มีทุกข์ทางร่างกายอยากให้มีแต่สุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวออพอเกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหาวิธีบำบัดทุกข์ด้วยวิธีต่างๆบางทีก็บำบัดด้วยวิธีไม่ได้ทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นบางทีก็บำบัดด้วยวิธีที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นถ้าทำบำบัดทุกข์ของร่างกายด้วยการทำให้ ผู้อื่นเสียหายเช่นร่างกายหิวก็เป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งก็ไปหาอาหารมารับประทานถ้าไปหาด้วยการทําร้ายชีวิตของผู้อื่นเช่นไปยิงนกตกปลาเอาสัตว์มารับประทานเป็นอาหารเพื่อบําบัดความหิวของทางร่างกาย ใจก็ทำบาปขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนเองได้ทำบาปแล้วพอทำบาปนี้มันก็จะทำให้มีผลตามมาต่อจิตใจจิตใจก็จะไปเกิดในอีกสภาพหนึ่งหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ทำบาป เพื่อบำบัดความทุกข์ของร่างกายโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปนี่ท่านบอกว่าต่อไปจะต้องไปเป็นเดลฉานทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปมีโทษตามมาโทษนั้นก็คือหลังจากที่เสียร่างกายนี้ไปแล้วร่างกายของมนุษย์ไปแล้วใจที่ทําบาป เพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปไปเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ต่างๆที่เราเห็นกันนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้จึงทำให้เขามาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆ แทนที่จะมาเป็นมนุษย์พวกที่มาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพวกที่ไม่ได้ทำบาปหรือถ้าทำบาปแล้วไปใช้บาปหมดแล้วเช่นไปเป็นเดรัจฉานใช้บาปจากการทำบาปหมดแล้วพอตายไปกลับมาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ใหม่นี่ก็คือเรื่อง ของจิตใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของจิตใจถ้าเราไม่รู้เรื่องของจิตใจเราก็จะคิดว่าตายไปแล้วก็จบตายแล้วก็ศูนย์เพราะผู้ที่ตายก็คือร่างกาย เมื่อร่างกายตายแล้วใครจะไปรับผลต่อไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บมีแต่ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีความแล้วก็สั่งให้มีการกระทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกาย ยังทำให้เกิดมีอบายขึ้นมาถ้าทำบาปด้วยวิธีการด้วยสาเหตุต่างๆสาเหตุที่ทำบาปแล้วให้ไปนรกนรกก็คืออะไรนรกก็คือความรู้สึกในใจนี่แหละที่เกิดที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความร้อนในหัวใจ เราเรียกว่านารกนรกนี่เกิดจากการทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นโกรธเกลียดเวลาใครเขาพูดหรือทำอะไรไม่ดีกับเราทำให้เราโกรธเราเกลียดเราก็จะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมแล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็จะทำร้ายเขาฆ่าเขา พอเราทำร้ายเขาฆ่าเขาทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่ใจก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมาใจที่ร้อนเป็นไฟนี่แหละเราเรียกว่านารกแล้วถ้าเราทำบาปด้วยความโลภด้วยความหิวโหยอยากได้มากๆอยากมีมากๆากใจก็จะเป็นใจที่ หิวโหยใจที่ไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยตลอดเวลาเพราะว่าต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรความหิวโหยมันไม่ได้หมดไปจากการที่ได้สิ่งต่างๆที่อยากได้มาเพราะว่าความอยากได้สิ่งต่างๆมันไม่ได้หมดไปกับการ ได้สิ่งต่างๆมาแต่มันกลับทำให้เกิดความอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความอยากที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้ใจหิวมากขึ้นไปเรื่อยๆโหยมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆใจแบบนี้ก็เป็นเปรตอันนี้คือเรื่องของใจที่จะแปลงสภาพจาก มนุษย์ไปสู่ความเป็นสัตว์ชนิดอื่นต่อไปด้วยการกระทำบาปต่างๆนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ทำบาปแล้วก็จะไปรับผลของการกระทำบาปต่างๆ ถ้าทำบาปด้วยความหลงความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานกันถ้าทำบาปด้วยความโลภความอยากก็จะเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็จะไปนรกเป็นนรกใจจะเป็นนรกขึ้นมานี่แหละเรียกว่าบาปกับนรกบาปกับอบายบาปเป็นเหตุอบายเป็นผลอบายมีสี่การกระทำบาปมีสี่ลักษณะทำด้วยความหลงทำด้วยความโลภทำด้วยความโกรธ ทำด้วยความกลัวเจิงทำให้จิตนี้เป็นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆไปจากการเป็นมนุษย์เนมนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่ได้ทำบาปหรือบาปที่ได้ทำไว้ได้ใช้หมดแล้วก็เลยได้กลับมาเป็นมนุษย์กันแต่พอมาเป็นมนุษย์แล้วพอเจริญเติบโตขึ้นมา พอเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายก็มักจะไปทําบาปเพื่อแก้ความทุกขเวทนาทางร่างกายกันยกเว้นถ้าไปอยู่กับคนผู้รู้อยู่กับบิดามารดาหรือผู้รู้เช่นอยู่กับาศาสนาได้ไปอยู่วัดก็จะมีการห้ามไม่ให้ทําบาปกัน ก็จะปลอดภัยจากการที่จะไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในอบายแล้วถ้ามีคนสอนว่าการทำบุญนี้จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาทำบุญแล้วจะทำให้ใจไปสวรรค์ การทำบุญนี่ก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการทำบาปนี้เป็นการทำโทษทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นในทางตรงกันข้ามจากการทำบาปก็คือการทำบุญทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขให้แก่ผู้อื่นใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขใจนี่แหละเรียกว่าสวรรค์ เวลาไม่มีร่างกายใจก็จะอยู่ในสวรรค์ใจก็จะเป็นสวรรค์ไปตามความตามความดีที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นมากก็จะได้ความสุขมากได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปที่มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุด อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญแล้วก็จะเกิดสวรรค์ขึ้นมาในใจสวรรค์ก็คือความสุขใจนรกก็คือความทุกข์ใจสวรรค์นรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตใจที่เกิด ท, ท, ที่ได้รับจากการกระทำบุญหรือทำบาปกัน นี่คือเรื่องของ จ, จิตใจผู้ที่ไปเป็นผู้ทำบุญหรือทำบาปเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญหรือผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงหรือไม่เรื่องผลของบุญของบาป ว่ามีจริงหรือไม่เพราะผู้ที่ทำกับผู้ที่รับผลนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปเวลาร่างกายตายไปบุญบาปที่ทำผ่านทางร่างกายนี้ร่างกายไม่ได้เป็นเป็นผู้ไปไปนรกหรือไปสวรรค์ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำนี่แหละเป็นผู้ไปรับ ผลบุญผลบาปที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขก็เรียกว่าสวรรค์ทุกข์ก็เรียกว่านรกแล้วหลังจากที่ไปสวรรค์หรือไปนรกกลับเสร็จแล้วพอบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปหมดกําลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะ กลับมาทำบุญทำบาปใหม่ต่อไปจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกที่จะสอนที่จะบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายนี้เกิดจากอะไรและจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่รู้ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยเราเราอาจจะรู้แค่เรื่องบุญเรื่องบาปเพราะว่าเรื่องบุญเรื่องบาปนี้มีคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รู้กันอยู่ศาสนาอื่นเขาก็สอนให้ทำบุญละ บ, บาปกันแต่ไม่มีศาสนาไหนที่รู้ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้มาเกิดนั้นคืออะไรและจะทำให้เหตุที่พาให้มาเกิดนั้นหายไปนั้นทำอย่างไรต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะมาบอกเราให้เรารู้ว่า เรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทำบาปกันตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันพอใช้ผลบุญผลบาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปกันใหม่ต่อไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะยุติการกลับมาเกิดได้อย่างไร เราไม่รู้เสียได้ซ้าไปว่าเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเราลืมไปชาติก่อนที่เราตายไปจากชาติก่อนนี้เราลืมไปหมดแลพอมาเกิดชาตินี้เราก็คิดว่าเป็นชาติแรกชาติอันเดียวของเราแต่ความจริงมันเป็นชาติที่กี่ร้อยล้านแล้วก็ไม่รู้เพราะเรากลับมาเกิดไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งแล้วแต่เราจำไม่ได้กัน จนกว่าเราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันนี้แหละเราถึงจะได้รู้ว่าเรานี้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งแล้วกลับมาแต่ละครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาร้องห่มร้องไห้กันถ้าเราเก็บน้ําตาที่เราร้องไห้ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมกัน พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสก็คิดดูกันแล้วกันว่าจํานวนพบชาติจํานวนความทุกข์ที่เราต้องมาพบกนี้มากมายขนาดไหนถ้าเราเห็นว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันทําให้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คือเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายแต่เราไปหลงกับร่างกายว่าคิดว่าเป็นตัวเราคิดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายไปกับร่างกายเราเลยกลัวเราเลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่ใจของพวกเราให้แก่เรา ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมันไม่ได้รุนแรงทรมานที่มันทรมานเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เราก็ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วเราอยากจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเราก็มีโอกาสในชาตินี้เพราะชาตินี้มีคนรู้วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมา เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ทรงได้ซกได้ค้นพบเหตุที่ทําให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันและได้พบวิธีที่จะกําจัดเหตุที่จะทําให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน นีคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากการมาฟังเทศฟังธรรมกันทำให้เราได้รู้เรื่องราวของเราอย่างแท้จริงว่าเราเป็นใครเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้มาเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาลูปเสียงกลิ่นรสพทธทพะหาราบยศสรรเสริญมาเสพด้วยความหลงด้วยความคิดว่าเป็นความสุขเนี่ยแต่มันเป็นความทุกข์เพราะมันจะทําให้เราต้องไปทําบาปกันเวลาเราอยากได้สิ่งเหล่านี้แล้วไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทําบาปมันก็จะบีบให้เราต้องไปทําบาปกัน พอเราทำบาปใจเราก็จะทุกข์จะร้อนขึ้นมาแล้วเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายกันอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่แต่ถ้าเราโชคดีได้มาพบกับคนดีคนที่รู้เรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องบุญเรื่องสวรรค์เขาก็จะสอนให้เราอย่าทำบาป ให้เราทำบุญกันเพื่อเราจะได้มีความสุขกันไม่มีความทุกข์กันเช่นเรามาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านก็มีคำสอนไว้สามหัวข้อใหญ่ ห, ญหนึ่งไม่ให้ทำบาปทั้งปวงสองให้ทำบุญให้ถึงพร้อมและสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นการกําจัดเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันซ้าแล้วซ้าอีกอยู่เรื่อยๆ เ, เหตุที่ทําให้เรามาเกิดที่มีอยู่ในใจที่ทําให้ใจของพวกเราไม่บริสุทธิ์ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากสามประการด้วยกัน คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเรียกว่ากามตัณหาความอยากได้ความสุขอยากลาบยศสรรเสริญเรียกภาวะตัณหาและความไม่อยากสูญเสียความสุขอยากลาบยศสรรเสริญเรียกว่าวิภวะตัณหานี่คือตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อย ถ้าเรา <c oughs> อยากจะยุติการกลับมาเกิดเราก็ต้องมากาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้เรื่องของ การเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงเราจะเรียนรู้ว่าเรื่องบุญเรื่องบาปนี้มีจริงเรื่องผลของบุญของบาปคือสวรรค์นรกนี้มีจริงเรื่องของอบายมีจริงเรื่องของการยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีจริงอันนี้มันจะทำให้เรา หายสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วมันจะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นทุกข์เราต้องมากําจัดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้เพราะว่า ถ้ากลับมาเกิดแล้วก็ต้องกลับมาทุกอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ในตอนนี้และก็จะกลับมาทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเรายังไม่ได้กำจัดเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันอันนี้จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเราเกิดมาแล้วนี่เราต้องทำอะไรกัน ก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำสามประการด้วยกันก็คือให้เราอย่าทำบาปเวลาเรามีความทุกข์ทางร่างกายเช่นความหิวถ้าเราต้องหาอาหารก็ให้หาอาหารมาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปนะอย่าไปฆ่าอย่าไปรักขโมยอย่าไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้ อาหารมารับประทานเพื่อบำบัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วถ้าเราสามารถหาอาหารมาได้มากเกินกว่าที่เราจะรับประทานได้ mm. ก็เอาไปแบ่งให้กับผู้อื่น mm. เช่นเอาไปใส่บาตรอย่างนี้ก็จะทาให้เราได้บุญ mm. ถ้าเรายังไม่สามารถยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ mm. เวลาเราตายไป เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาทำบุญกันใหม่มาลาบบาปกันใหม่และมาชำระใจให้สะอาดกันใหม่อันนี้ <c oughs> เราต้องทำให้ได้ทั้งสามข้อเพราะว่า ถ้าเราไม่ละ บ, บาปเดี๋ยวเกิดเรายังไม่สามารถชำระใจให้สะอาดได้เราก็ยังต้องไปใช้กรรมในอบายต่อถ้าเราไม่ได้ทาบุญเวลาเราตายไปเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์กันเราจะไม่มีความสุขใจเราจะรู้สึกจุดจืดชืดชืดไม่มีความสุขแต่เวลาได้ทำบุญแล้วใจจะรู้สึกอิ่มเ อ, อบิบมีความสุข เราก็ต้องทำทั้งสามอย่างควบคู่กันไปจนกว่าเราจะสามารถทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นะให้ลาบบาปเช่นถือศีลห้ากันให้ทำบุญกันถ้าเรามีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีอาหารมีอะไรที่เรามีมากกว่าที่เราจะต้องการ เราแบ่งให้ผู้อื่นไปแบ่งปันกันไปทําบุญทําทานกันไปก็จะทําให้ใจของเรามีความสุขทําให้ใจของเราเป็นสวรรค์เราไม่ทําบาปเราก็ปิดอบายใจเราจะไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสู ร, รกายไม่เป็นสัตว์นรกแล้วเราก็มาชําระใจให้สะอาด การจะชำระใจให้สะอาดนี้เราต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาจิตตะภาวนาการภาวนานี่เป็นการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆสามประการที่มีอยู่ในใจให้หมดไปความอยากนอกเหนือจากสามประการนี้ไม่ต้องกำจัดเช่นความอยากจะทำบุญ ความอยากจะรักษาศีลความอยากจะฟังเทศฟังธรรมความอยากจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ได้อยู่ในความอยากที่จะทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายความอยากที่จะทาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายมีเพียงสามตัวนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถัะความอยาก เป็นใหญ่เป็นโตอยากรล้ามอยากรวยความอยากได้ลาบยศสรรเสริญนี่แล้วก็ความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไปความอยากสามตัวนี้ที่จะเป็นตัวที่ทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราต้องชำระมันกาจัดมันด้วยสั ม, มะถะและวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของการรักษาศีลแปดขึ้นไป ผู้ที่จะมาชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จําเป็นจะต้องรักษาศีลที่สูงกว่าศีลห้าศีลห้านี้สําหรับป้องกันไม่ให้ทำบาปไม่ให้ไปอบายเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะสนับสนุนการบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าเราต้องการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องถือศีลแปด ขึ้นไปสีนแปดสำหรับอุบาสกอุบาสิกาสีนสิบสำหรับสามเณรีนสอง้อยสิบเจ็ดสำหรับพระภิกษุและสีนสามร้อยกว่าข้อสำหรับภิกษุณีนี่เป็นสีนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนให้การชำระ ใจให้สะอาดบริสุทธินี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเนี่ายิ่งมีศีลมากก็ยิ่งจะทำให้การชำระนี้สะอาดได้ง่ายได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะมายุติการเวียนไ่ว้าตายเกิดเราต้องถือศีลสำหรับคาะวสผู้คลองเรือนก็เริ่มต้นที่ศีลแปดในวันพระเนี่ย วันหยุดทำงานไม่ต้องทำงานเราก็เอาเวลาที่มีว่างนี้มาทำประโยชน์มาชำระใจของเราดีกว่าไปทำอะไรทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อให้หาเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านต่อให้ได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆในโลกนี้ ก็ไม่มีประโยชน์สุขเท่ากับการมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนดังนั้นวันไหนที่เรามีเวลาว่างจากการทำภารกิจการงานต่างๆไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ไปกับการกระทาอย่างอื่นควรเอามาใช้กับการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการถือศีลแปดถ้าไปวัดได้ก็ไปวัด วัดก็ต้องเป็นวัดที่สงบนะถ้าเป็นวัดที่ไม่สงบก็ชำระใจไม่ได้เพราะมันทำใจให้สงบไม่ได้ <c oughs> ต้องไปอยู่วัดที่สงบห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆห่างไกลจากกิจกรรมต่างๆห่างไกลจากแสงเสียงแสงสีเสียงต่างๆเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาอย่างนี้จะได้ ทำใจให้สงบได้การทําใจให้สงบนี้ก็เป็นการขัดเกลอกิเลสตัณหาในระดับแรกก่อนอันนี้ต้องใช้ศีลแปดสนับสนุนในการบาเพ็ญจิตตภาวนาหรือศีลสิบถ้าไปบวชเป็นสัมมาเนนหรือศีลสองรอยี่บเจ็ดถ้าไปบวชเป็นพระหรือศีลสามร้อยกว่าถ้าไปบวชเป็นภิกษุณี เพราะเมื่อมีศีลมันก็จะห้ามไม่ให้เราทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองให้เรามาทํากิจกรรมที่สําคัญที่สุดก็คือการชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นผู้ที่ถือศีลห้านี้ก็ยังสามารถไปทํากิจกรรมอะไรได้มากมายไปดื่มไปรับประทานอาหาร่ําก็ได้ ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ได้ไปดูมห์ลสบบันเทิงก็ได้ไปนอนบนฟูกหนาๆ น, นอนนานๆก็ได้นอนกี่ชั่วโมงก็ได้นี่ไม่มีห้ามไว้ในศีลห้าแต่ถ้ามาถือศีลแปดนี้กิจกรรมเหล่านี้จะถูกห้ามไปไม่ให้ทําเพราะถ้าไปทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลามาทํา ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองก็เลยต้องมีศีลห้ามาเพื่อลั ง, งับทํากิจกรรมที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจนะแต่เป็นโทษเพราะจะทําให้เสริมความไม่สะอาดของใจให้มากขึ้นคือเสริมกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นนั่นเองจึง ต, ต้องห้ากิจกรรมที่ส่งเสริม การเจริญเติบโตของกิเลสตัณหาก็คือการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วการไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการไปดูมหัศสศพบันเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วย อด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ามันน้าหอมอะไรต่างๆและการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะทำให้จิตใจมีความไม่สะอาดมากขึ้นต้องระ ง, งับกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็มาทำกิจกรรมที่จะทำให้ใจสะอาดมากขึ้นไปตามลำดับ การต้นก็นให้ทำใจให้สงบเพราะใจสงบนี้มันจะทำให้ใจมีความสุขจะทำให้ไม่หิวโหยกับความอยากกับความโลภต่างๆจะระ ง, งับความโลภความอยากไว้ชั่วคราวทำให้ใจมีความสุขและเป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองก็คือขั้นวิปัสสนา ขันแรกคือส ม, มถภาวนาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาก่อนจะทำขั้นที่สองได้ต้องทำขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเหมือนกับก่อนที่จะขึ้นปอสองก็ต้องเรียนปหนึ่งก่อนเรียนปหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยขึ้นปอสองถ้าไปขึ้นปอสองเลยเดี๋ยวเรียนเรียนแล้วเรียนไม่เรียนไม่จบเรียนไม่ผ่านเพราะความรู้ไม่พอ ต้องเรียนเอาปอหนึ่งก่อนเอาความรู้จากปหนึ่งก่อนถึงจะก้าวไปสู่ความรู้ของปอสองได้การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องทําขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งนี้จะชำระให้สะอาดชั่วคราวก็คือเวลาใจสงบกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ชั่วคราวในขณะที่ จิตสงบอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วนี้กิเลสตัณหาก็จะกลับพื้นขึ้นมาใหม่เพราะสมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้จาต้องอาศัยวิปัสสนาอาศัยปัญญาเป็นตัวทำลายกิเลสตัณหาแต่ปัญญานี้ก็จะต้องอาศัย กำลังของสมาธิสนับสนุนในการทําลายกิเลสตัญหาปัญญาเพียงจะจะบอกให้รู้ว่าทำไมต้องไม่ทําตามความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆปัญญาบอกจะบอกว่ามันเป็นการทำสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขนั่นเองถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องไม่ทําตามความโลภความโกรธความหลง ไม่ทำตามความอยากอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะสอนใจหลังจากที่ใจมีความสงบมีความสุขแล้วพอมีความสุขมีความสงบแล้วถ้าบอกให้ไม่ทำตามความอยากก็จะมีกําลังที่จะทำได้เพราะมีความสุขอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปหาความสุขมาเพิ่มก็ได้ยิ่งถ้าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุข ก็ไม่ไปหาดีกว่าไม่ไปโลภ ก, กับราบยศสรรเสริญดีกว่าไม่ไปโลภ ก, กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะดีกว่าจะอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าเพอมีปัญญาสอนแล้วใจมีความสุขอยู่ในตัวใจก็จะหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆได้ไม่ต้องทํา พอไม่ทําตามความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงความอยากก็จะค่อยหายไปหมดนะหายไปจากใจพอไม่มีความโลภความอยากอยู่ในใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยตลอดเวลา ที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังนี่เอนิบบานังก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้บรมมาสุขได้ปรมังสุขขังคือความสุขตลอดเวลาที่ไม่มีความสุขตามมาความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมและใจนี้ไม่มีวันตายความสุขที่ได้ในที่อยู่ในใจก็เลยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเนี่ย ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกเนี่ยตอนนี้ก็ยังบรลมมาสุขอยู่ยังปรมังสุขขังอยู่สอง0ันอกว่าปีผ่านมาแล้วแต่ความสุขในใจของพระพุทธเจ้าในใจของพระอาหารหันตสาวกนี้ก็ยังเป็นเหมือนวันแรกที่ท่านได้พบวันที่ท่านตัดสรู้กันวันที่ท่านบรรลุธรรมกันความสุขนั้นก็จะอยู่ไปตลอดไม่มีวันที่สิ้นสุด นี่เรียกว่าการยุติการเวียนว่ายตายเกิดพอมีความสุขเต็มร้อยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องที่จะต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็เลยไม่จาเป็นจะต้องมีร่างกายต่อไปร่างกายที่มีอยู่ก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันเพราะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันจะแก are, like ่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันใจไม่ได้อาศัยร่างกายแล้วก็เลยไม่ไม่ยุ่งกับมันไม่เกี่ยวข้องกับมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ไม่ทำให้ใจเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้ายังไปยุ่งยังไปเกี่ยวข้องยังไปอาศัยร่างกายอยู่นี่ใจจะไม่ยอมให้ร่างกายแก่เจ็บตายจะอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจก็จะทุกข์ทรมานไปกับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอไม่ต้องเกี่ยวข้องไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วร่างกายจะแก่เจ็บตายใจก็ไม่เดือดร้อนใจไม่ยุ่งกับร่างกายไม่พึ่งร่างกายต่อไปและหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะไม่มามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปพอแล้วถึงเมืองพอแล้วได้พบกับบรมมาสุขแล้ว ความสุขได้ฐานผ่านทางร่างกายสู้บรโมสุขนี้ไม่ได้ความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียง ก, งกงลิ่นรสผดถภาณี้เป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาพอจางหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีแต่ความสุขของพระนิพพานนี้ไม่ไม่จางหายไปไม่มีความทุกข์เข้ามาแทนที่จะสุขไปตลอดตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดน นี่คือเรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังกันถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นเรื่องราวที่เราจะไม่ได้ยินจากที่ไหนมาก่อนจะได้ยินมาจากที่นี่จากพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะไม่ไป สร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการทำบาปเราจะสร้างความสุขให้กับเราด้วยการทาบุญแล้วเราก็จะเพียรพยายามที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ได้เพื่อที่เราจะได้ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้มันสิ้นสุดไปให้มันหมดไปด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนา ด้วยการถือศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดนี่คือเรื่องของเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราจะได้ยินได้ฟังกันถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้าอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทำให้เราไม่สงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด จะไม่สงสัยใ น, ในเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงหรือไม่เราจะเชื่อว่ามีจริงเราจะเชื่อว่าพระพุท ธ, ทธเจ้าก็มีจริงพระอริยสงสาวกก็มีจริงผู้ที่ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็มีจริงและถ้าเราอยากจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็สามารถทำกันได้ด้วยกันทุกคน เพราะเรามีวิธีที่จะให้เราทำกันนั่นเองวิธีนี้ก็ไม่ได้แยกว่าจะต้องเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวดหรือเป็นผู้คลองเรือนเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนใหญ่คนโตหรือเป็นคนไม่ใหญ่ไม่โตทุกคนสามารถปฏิบัติได้เท่าเทียมกันทั้งหมด ในยุคสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลหรืรอแม้แต่ในสมัยนี้ก็มีคนทุกเพศที่ได้ยุติการเรียนว่า้ตายเกิดได้มีการบรรลุธรรมกันมีการหลุดพ้นจากการเรียนว่า้ตายเกิดกันมีพระอาหารหันต์ที่เป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีเป็นนักบวชก็มีเป็นคฆราวาสก็มีเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มี มีได้ทุกเพศทุกวัยถ้ามีการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้เท่านั้นศีลก็คือศีลแปดขึ้นไปสมาธิก็คือสมถภาวนาปัญญาก็คือวิปัสสนาภาวนาถ้ามีการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญารับรองได้ว่ามั่งผลนิพพาน การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะต้องเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครปฏิบัติก็ตามไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชนะไม่สาคัญเพราะข้อสาคัญอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ครบทุวนบริบูรณ์ได้เต็มร้อย ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนเริ่มตาขึ้นมาก็เจริญสติเลยรักษาศีลเลยควบคุมใจทําใจให้สงบเลยพิจารณาปัญญาเลยนี่อันนี้แหละเรียกว่าสุปฏิปันโนต้นองปฏิบัติเต็มร้อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้ไม่ปล่อยให้เวลาเหล่านี้ หลุดไปจากการปฏิบัติเลยมีแต่การปฏิบัติอย่างเดียวรักษาศีลให้บอยสุดตลอดเวลาที่ตื่นรักษาใจให้สงบตลอดเวลาสอนใจให้ฉลาดตลอดเวลาไม่ให้หลงไปกับความโลภความอยากต่างๆตลอดเวลามันต้องตลอดเวลามันถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าเป็นบางครั้งบางเวลานี้ยังไม่เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเพราะผลมันจะไม่เกิดผลมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตลอดเวลาไม่เผลอสติเลยไม่คาดไม่ไม่ไม่ห่างไกลจากปัญญาเลยไม่ไม่ห่างจากความสงบเลยใจต้องสงบอยู่ตลอดเวลาใจต้องใช้ปัญญาคอยฆ่ากิเลสตัณหาที่โผล่ขึ้นมาตลอดเวลา ถ้ามีการปฏิบัติแบบนี้แล้วไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ไม่ว่านักบวชหรือขอผู้ครองเลยอยนี้สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนเป็นพาาาระอรหันตสาวกได้ด้วยกันทุกคนอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องที่พวกเราจะได้รับจากการได้ฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราหายสงสัยว่า เออเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอารหันต์ได้หรือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระอารหันต์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้คองเือเมื่อเป็นนักบวชถ้าสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าสามารถจะเลินศีลสมาธิปัญญาได้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลาตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับรับรองได้ว่าจะต้องได้มรรคผลนิพพาน เป็นรางวันอย่างแน่นอนอดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิเพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปา อันโทปณาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวาจันโตสัพพโรโววินาศตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธานสีฤทสานิจจังวุฒาปจายโน ยะตาโรธรมมวาทานติอายุวนโนสุขังปาลังลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมเลยแต่พอเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาต ไม่ตอบไม่ถามไม่ตอบต่อตอนนี้ใครอยากจะถามก็ถามได้ขอให้ถือว่าเป็นวิทยาทานธรรมทานคนที่เขาไม่รู้ปัญหาหรือเขามีปัญหาแบบเดียวกันเขาก็จะได้คำตอบหรือถ้าเขายังไม่มีเขาจะได้รู้ไว้ว่าอนาคตถ้าเ้ามีเขาจะได้แก้ไขอย่างไรได้ไม่ต้องอายนะพวกเราทุกคนก็มีปัญหาด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีปัญหา มีอะไรอยากจะถามไหมพูดผ่านไมโครโฟนเลยกระาษแทบเทา้าท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพ อ, อย่างสูงสุดครับคือก็ได้มาฟังธรรมของท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายครั้งแล้วทีนี้ปัญหาที่สงสัยก็คือว่าเมื่อเมื่อเราเป็นชาวพุทธในชาติเนี้ยครับเราได้ดําเนินตามทางที่ถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญา ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถกระทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งในชาตินี้ได้เนี่ยเมื่อเราเกิดมาใหม่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดความโง่ความหลงสมมติว่าสมมติว่าเราไปเกิดเป็นชาวป่าแล้วเรานับถือผีเนี่ยเ อ, อเราจะทําอย่างไรครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ถ้าเราเออ่ ไม่เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาติดตัวไปเราก็จะทำตามที่เขาสอนแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระพุทธศาสนาติดตัวไปได้เราก็จะไม่ทำตามที่เขาสอนเรื่องจ้าไปได้ไม่ได้อยู่ท yes. ี่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยทำมากทำน้อยถ้าเราทำมากมันก็จะฝังเข้าไปเป็นนิสัยถ้าฝังมาก ทำมากกว่านั้นนั้นก็จะกลายเป็นสันดานถ้ามันเป็นสันดานแล้วก็มันจะไม่เชื่อใครทั้งนั้น่ะมันจะทำตามที่เคยทำมาแต่ถ้าเป็นวิสัยนี้ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้งั้นก็พยายามทำให้มากๆเชื่อบุญเชื่อบาปก็ทำบุญให้มากรักษาศีลให้มากๆจนให้เป็นเป็นสันดานให้ได้พอเป็นสันดานแล้วต่อไปก็สอนให้เราไปทาบาปเราก็จะไม่ทาบาป สอนให้เราเชื่อผีเชื่ออะไรเราก็ไม่เชื่อเราจะเชื่อกรรมเราจะเชื่อกดแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อผีสางเทวดามาทำให้เราดีทำให้เราเชั่วไม่ได้อันนี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้อยู่ที่ว่าเราปลูกฝังมันเข้าไปในใจเราได้มากน้อยเพียงไรทำมากมันก็จะฝังลึกฝังลึกมันก็จะถอนยากเหมือนต้นละต้นไม้ถ้ารากมันหยางลึกนี้จะถอนมันยาก กั้ตอนที่มันยังอยัางไม่ลึกเนี่ยถ้าเป็นพระ อ, อริยะได้ก็มันก็จะไม่เชื่อใครแล้วมันจะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียววันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟ e บุ๊กมีประธานเร่อนเสียงครับพอาารย์เข้ามาอยู่ที่สองรนอย u t u b สิบเอ็ดคนยู YouTube อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งคนครับ ตอนนี้เสียงดีแล้อย่า ง, งเสียงขาดขาดหายขาดหายครับอ่ตอนนี้คนฟังก็ยังฟังได้บ้างไม่ได้บ้างฟังฟังได้บ้างไม่ได้บ้างครับแล้วล แ, กแกก็ฟังได้ครับเรวแก้ได้ปะเราไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเมือ่อ ว, วานนี้พี่บอยแจ้งว่าเป็นที่จักจ็คตัวนึงครับวันนี้เอาแจ็คมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็อย่างนี้นิดนดีครับเอแต่ก็ฟังได้ครับอจารย์โอเคมีคําถามทางบ้านไหม มีครับเ อ, องอ่านมาดูค่ะคาถามจากคุณปปดพงศ์พบลูกนกตกจากรังแล้วเราไม่อยากเลี้ยงดูคือจะนำไปคืนให้พ่อแม่นกก็ไม่ได้คือจะวางเฉยๆเป็นบาปกับผู้มาพบเห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้ทำอะไรกับนกตัวนั้นเราก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปส่วน อะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมาพบมันถ้าแมวมาพบมันมันก็อาจจะตะคุบไปกินแมวมันก็ทำบาปแต่มันทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปพราะมันหิวมันเห็นอาหารมันก็จะกินมันก็ทำบาปตามสัญชาตญาณของเดรัจฉานไปอแต่ถ้าไปเจอคนใจบุญเขาก็อาจจะเอาไปเลี้ยงถ้าเราใจไม่บุญเราไม่ใจบุญเราก็ไม่เอาไปเลี้ยง ถ้าเราใจบุญเราก็เอาไปเลี้ยงเหมือนคำถามจากคุณพิมพรจัดเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเรามีใจอยู่กับธรรมะแล้วเรารักษาศีลสมาธิภาวนาจะได้นับแต่จะได้รับแต่ความสุขความสงบอยู่ตลอดเวลาจริงค่ ะ, ะ, ะเป็นคำพูดเป็นคาพูดครับพระอาจารย์ ในธรรมดีที่สุดเลยเจ้าค่ะในธรรมะของพระอาจารย์ครับเป็นคำบอกกล่าวครับพระอาจารย์ก็ต่อไปวันนี้มือใหม่หัดครับอาจจะต้องอก็ตกกระตักหน่อยเสียงอาจจะดังบ้างค่อยบ้างก็ลองปรับให้มันพอดีจากคุณพัทระพงศ์ครับกับเรียนถามพระอาจารย์ครับ เหตุใดพระอาจรยจึงกล่าวว่าทั้งนรกสวรรค์หรือแม้พระนิพพานเป็นสะเป็นสภาวะของจิตไม่ใช่สถานที่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วภายหลังจากที่ไม่มีร่างกายจิตจะไปอยู่ที่ไหนครับจิตมังก็อยู่ตั้งแต่มันไม่มีที่มันไม่มีรูปร่างหน้าตามันไม่ต้องมีสถานที่จิตมันไม่เหมือนร่างกายร่างกายต้องมีเนื้อที่ใช่ไหมถึงจะ อยู่ได้มันต้องมีที่ตั้งแต่จิตไม่มีที่ตั้งเราก็เรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยโลกที่จิตทั้งหลายอยู่กันนี่เราเรียกว่าโลกทิพย์จากคุณเจษณีครับจาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะดิฉันพาลูกชายวัยสามขวบเข้าไปทําบุญ บ, บ่อยๆเพื่อที่อยากให้เขามีดวงตาเห็นธรรมได้บวชได้บวทเรียน แต่เนื่องด้วยความแต่เนื่องด้วยทางบ้านตามใจเขามักจะมีนิสัยเอาแต่ใจและใจร้อนดิฉันจะมีวิธีฝึกสมาธิให้เขาได้อย่างไรคะก็สอนให้เขามีสติฝึกสติก่อนให้เขาพุโทโธพุโทโธไหว้พระสวดมนต์ถ้ามีสติใจเขาก็จะเย็นลง จะควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะมันก็จะร้อนไปตามอำนาจของโทสะโมหะโลภะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่ต้องหาอุบายให้เขาฝึกสติให้มากขึ้นแล้วคอยสอนบอกเขาผิดถูกดีชั่วว่าการที่มีอารมณ์ทําอะไรตามอารมณ์ของตัวเองนี้เป็นภัยกับตัวเอง ทำให้ตนเองทุกมากกว่าสุขการที่ไม่มีอารมณ์การที่ทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลจะทำให้ใจเย็นใจสงบมีความสุขกว่าก็ต้องอาศัยการสั่งการสอนไปเรื่อ ย, อยคำถามจากคุณจรุลักษ์ครับดิฉันขายกระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนมเป็นงานเสริมคะ่ะคำถามครับ อยากถามนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วคนขายผิดศีลด้วยไหมค ะ, ะก็ไปขโมยชื่อเขามามันก็ผิดนะถ้าเขาใครเขาขโมยชื่อเราไปขายบ้างเราจะเราจะโกรธเขาไหมเราใส่ชื่อของเราก็ได้เนี่เราเอาชื่อเขาออกไปแล้วเราก็ใส่ชื่อเราชื่อสมศรีก็ใส่ไปสมศรีอย่าไปใส่เป็นชาดไนล์หรือเป็นเวอร์ซาเซมันก็ชื่อเหมือนกันน่ะ ใช่ไหมกระเป๋ามันก็ใบเดียวกันน่ะทําไมมันต้องไปใช้ชื่อของเขาด้วยเรามีชื่อของเราเราก็ใส่ของเราไปสิถ้าคนที่มาซื้อเขาจะผิดศีลด้วยไหมคะเขาซื้อเขาไม่ได้ขโมยนี่เขาก็จ่ายเงินตามราคาที่เราขายให้อันนี้ไม่รู้ผิดหรือเปล่าเขาตำํำรวจไม่จับคนซื้อตำรวจเขาจับคนขายไม่ใช่หนระือ คำถามจาก y o u t u b อจากจากยู u ูบครับผมการที่เรามีสิ่งมากระทบทำให้เกิดโลภโกรธหลงแล้วเราจับอยู่กับพุทธโธโดยอัตโนมัติไปสักระยะคือ5ถึง15นาทีแล้วในขณะนั้นยังรู้สึกอึดอัดในใจไม่คลายความรู้สึกกับสุปสภาวะปกติเลย อย่างนั้นจะแก้ยังไงครับก็ต้องพุโทโธต่อไปกินยาไม่พอยาไม่แรงพอก็ต้องพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะสงบสงบแล้วอาการอึดอัดต่างๆก็จะหายไปถ้ายังอึดอัดอยู่ก็พุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าเพิ่งหยุดเหมือนกับกินยาสมัยนี้หมอก็ให้กินยาปฏิชีวนะนี่ต้องกินให้ครบห้าวันถ้าไปกินสองวันแล้วหยุดกินเดี๋ยวโรคมันกลับมาได้มันดื้อ ย, ยาได้ เราต้องกินตามให้มันครบมันจะยังตายอย่างราบคาบคำถามหมดครับพระาอาจารย์หมดแล้วเลยคำถามทีม่ต้องถามต่อหน้าเอ่อก็ถามตอนนี้แหละจะต่อหน้าต่อหลังก็ถามไปเถอิอส่วนตัวมันก็ส่วนตัวกันทุกคนแหละมีใครไม่ส่วนตัวละ่ะมันก็เรื่องของส่วนตัวกันทุกคนะที่ถามว่า น, นี่ อยากจะถามก็ถามไม่ถา ม, ม, ถามก็ไม่ถามเท่านั้นแหละเแบบนี่ยก็ถามเลยก็ถามไม่เลยอยากจะถามก็ถามตอนนี้พูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยเปิด ค, ครับคืออยากจะถามนน้งถ้าผมอยากจะเอคือตอนนี้ผมผมไม่ไม่ค่อยได้ทํางานผมก็ทุกวันก็นั่งสมาธิ แต่ว่าอยากจะแบบว่าอาทิตย์ห น, นึ่งวันหนึ่งเนี่ยทําอะไรที่แบบช่วยสังคมหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปใส่บาตหรือว่าจะไปไปเป็นอาสาสมัครที่ไหนอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะทําอะไรก็อยากจะมาถามปาอาจารย์ว่ามีอะไรน่าทํามัง่งหรือว่าไม่ต้องทําก็นั่งสมาธิอย่างเดียวก็พออะไรเงี้ยคนมีความสามารถอะไรบ้างอ่ะมีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง สอนเด็กก็ได้ไหมมีความรู้อะไรจะสอนเด็กได้หอเปล่ารู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าสอนไม่ยังอยา่อยางที่วัดนี่อะไรนี่มีอะไรให้มาช่วยหรือมันทุกอย่างก็ทุกอย่างก็มีครบถ้วนอนออยู่แล้วใช่ไหมครับอออยู่ที่คุณอ่ะคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ไปเสนอตัวเขาเสิคุณอยากจะทําอะไรก็ไ ป, ก ไ, รไปบอกเขาถ้าเขาต้องการเขาก็ให้คุณทําถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ เขาก็ไม่ให้คุณทำํำอะไรม่แล้วอย่างถ้าถ้าผมจะมาช่วยเออถ้าถ้าผมจะแบบว่าขับรถมาที่ที่ที่พัทยาแล้วก็ไปใส่บาตรตอนเช้าที่บ้านอําเภออย่างนี้มันมีประโยชน์ไหมเพราะเพราะว่ามันคือว่าอาจจะทุกวันนี้อาจจะมีคนมาใส่บาตรเยอะมากเบือยู่แล้วเนี้ยผมมาอีกคนนึงมันก็ไม่มีประโยชน์นอะไรหรือเปล่า ก็แล้วแต่คนคุณแล้วคุณแต่คุณจะคิดเอาคนอื่นที่เขาใส่เขาก็ก็ก็ทําไมเขาใส่กันเขาไม่เขาไม่ได้คิดอย่างคุณนะก็คือต่อให้มีคนใส่เยอะอยู่แล้วเราใส่เพิ่มไปคนก็ก็ก็ไม่เป็นไรคือมันมีประโยชน์สองส่วนเขาจะไหมประโยชน์ของผู้รับกับประโยชน์ของผู้ให้อนีอันไหนสําคัญกว่าละ่ะประโยชน์ผู้รับกับเรือประโยชน์ของผู้ให้ะถ้า ถ้าคุณไม่ทําบุญคุณก็ไม่ได้บุญถ้าคุณไปมองว่าทุกคนทุกแห่งก็มีพอแล้วเราไม่รู้จะให้อะไรดีคุณก็จะไม่ได้สไม่ได้ให้สักทีแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่สําคัญอ่ะที่ไหนมีก็เรื่องของเขาแต่เราอยากจะเราอยากจะให้เราก็ให้ของเราไปเราก็ทําไปเราก็ได้บุญถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้บุญมันมีประโยชน์สองส่วน ประโยชน์ที่สำคัญก็คือประโยชน์ของเรามากกว่าประโยชน์ของผู้รับผู้รับถึงแม้จะมีมากก็ให้เขาไปคุณให้เขาแล้คุณก็ได้รับประโยชน์ส่วนผู้รับเขาจะไปทาประโยชน์ต่อก็ได้เขามีมากเขาก็ไปให้คนที่ไม่มีต่อมีคนยากคนจนคนทุกข์ยากเดือดร้อน<ม>เขาก็ให้กันต่อๆไปเป็นทอดๆไป คือคือผมก็คือว่าผมผมต้องไปหาเอาเองว่าผมจะทําอะไรคือพระอาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกได้วา่าให้ความออกความสติว่าออมีอะไรน่าทํามั่งอะไรไมอก็นั่นแหละคุณไปหาเอาเองดีกว่าเพราะคุณรู้นี่ว่าคุณจะทําอะไรได้เราไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างพูดไปเดียวไม่ถูกกับสิ่งที่คุณทําได้มันก็เสียเวลาเปล่าๆคุณเป็นคนทําคุณคนจะรู้ โบราณเขาบอกว่าตักบาอย่าถามพระเข้าใจไหมคุณจะทําบุญอย่าถามพระกตัวอย่า ง, <พะ S 2> างถ้าผมขับรถนำพระทยามาตักบาศผมก็คิดเอ้ผมไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาเห็นพระทยาเลยผมตักที่กรุงเทพไปได้ก็เรื่องของคุณนะคุณจะตักที่ไหนก็ตกักน้ะบอกเราวอกตักบาศอย่าถามพระคุณจะทํา ท, ที่ไหนก็ทําไปไม่ต้องมาถามพระแล้วมันได้บุญมากได้บุญ น, น้อยก็ไม่ต้องไปคิดมากเหมือนกันก็แล้วแต่คุณ เอยมขออกาลยมอ่านหนังสือเล่นของหลวงตาปาฏแหางวิปัสนาแล้วถึงตอนที่ท่านบอกว่าเจริญมักอยู่แล้วแล้วกลับกลายเป็นสมุทัยอยากขอตัวอย่างจากพ่อค่ะว่าในกรณีไหนที่เราคิดว่าเราเจริญองค์มักหรือว่าทำเพียมเจริญสติสมาธิอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ใจเป็นสมุทัยไปนั่นหมาถือว่าเราตั้งใจมากเกินไปหรือเราอยากอะไรแบบนี้อดเพ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคือมันพิจารณาถ้าเป็นเป็นมรรคมันจะสงบไงถ้ามันฟุ้งซ่านมันก็ไม่เป็นมรรคมันเป็นกิเลสไปดูใจเวลาพิจารณาว่ามันพิจารณาแล้วมันตรงได้หรือเปล่ามันปล่อยได้หรือเปล่าถ้าพิจารณาได้ตรงได้ปล่อยได้มันสงบมันก็เป็นมรรค ถ้พิจารณาแล้วยังปล่อยไม่ได้กลับมาทุกข์กลับมากังวลกับมันมันก็กลายเป็นกิเลสไปพิจารณาเรื่องเงินทองไม่ใช่ของเราตายไปก็ต้องจากไปแต่พิจารณาแล้วก็ยังกลับมาทุกข์มากังวลกับมันอยู่มันก็แสดงว่าอย่างแทนที่จะเป็นมรรคมันก็เลยกลายเป็นกิเลสไป แล้วตัวโมหะฟุ้งสร้นที่เห็นว่ามันมีผุดขึ้นมาแล้วไปไปไม่พอใจมันไปโกรธไปไม่ไม่ไม่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็ก็เข้าข่ายนี้เหมือนกันใช่ไหม น, นั่นแหละถ้าเกิดมีรักมีชังก็แสดงว่าเป็นกิเลส ท, ทั้งนั้นน่ะมันต้องเฉยต้องสากแต่ว่ารู้เฉยๆมีคำถามเข้ามาไหมมีครับพระเจ้าคำถามจากคุณสกลครับชอบเผอสติเวลาคุย เพราะงานที่เป็นงานสอนดนตรีเราจะคุมสติเวลาคุยได้ยังไงครับเพราะเวลาคุยเราก็ไม่ได้นึดพุโทโธเวลาคุยให้มีสติกับเรื่องที่เราคุยสิกําลังคิดอะไรกําลังจะพูดอะไรก็ให้มีสติอยู่กับความคิดก่อนจะพูดเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังจะพูดอะไรเช่นเขาถามมาเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเราก็ต้องคิดกับว่าได้เราสบายดีหรือเปล่า응 ถ้าเราสบายดีเราก็บอกสบายดีครับถ้าเราไม่สบายเราก็บอกไม่สบายอย่างนี้เราก็ไม่ได้พูดปลดถ้าเกิดเขาถามว่าสบายดีหรือเปล่าเราบอกไม่สบายก็พูดปดอะบางทีอยากจะให้เขาช่วยเหลือเราเราสบายแต่เมื่อเขาถามเราไม่สบายดีหรือเปล่าเราก็เลยบอกไม่สบายเผลอเขาจะให้เงินเราไปซื้อยามากินอย่างนี้เราก็พูดแบบไม่มีสติแล้ว ถ้าคนมีสติต้องต้องพูดต้องรู้ว่ากำลังพูดความจริงหรือไม่พูดความจริงคําถามต่อไปจากคุณพยอมครับกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะวันนี้รักษารักษาอุโบสศีลอุโบสถศีลอุโบสถศีลจะต้องทำงานอยู่เวรต้องพบปะพูดคุยกับคนอื่ น, นเราควรปฏิบัติหรือวางใจอย่างไร เพื่อให้รักษาศีลได้ครบหนึ่งวันหนึ่งคืนเจ้าค่ะเอาก็ให้พูดความจริงอย่าพูดปดนะอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดคำหยาบอย่าพูดส่อเสียดอันนี้ก็เป็นการรักษาทางวาจาทางร่างกายก็อย่าฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าดื่มสุรายาเมาอย่ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว อย่าเปิดทีวีดูหนังดูละครอย่าฟังเพลงอะไรทำนองนี้อย่าแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าทำเเผวทำผมอย่าใช้น้ำหอมน้าหอมน้ำมันอะไรต่างๆแล้วนอนก็นอนกับพื้นแข็งๆอย่านอนกับบนฟูกหนาๆนอนพอให้พักผ่อนร่างกายได้ก็พอไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็เติมแล้วจะได้ลุกขึ้นมา ทำสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมจะดีกว่านอนคำถามต่อไปจากคุณชันพาเลติครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับความทุกข์เกิดจากความอยากส่วนความอยากเกิดจากความคิดใช่ไหมครับดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้หยุดความคิดจะทำยังไงครับก็ใช้ความคิดอื่นมาหยุดนะใช้พุโทโธคิดอยู่แต่คาว่าพุโทโธพุโทโธ แทนที่จะคิดถึงเงินก็คิดแต่พุทโธพุทโธไปความอยากได้เงินมันก็จะหายไปคิดถึงพุทโธมันก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ออพอไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธหยุดมันออกลับมาคิดที่พุทโธพุทโธใหมออ่คำถามหมดครับพระอาจารย์หมนแล้นเนีเอยมีใครอยากจะถามอีกไหม ไปเวลาใจเย็นๆเดี๋ยวนั่งพักเดี๋ยวก็ได้นั่งดูใจเรามันก็ได้ถามใจเรามันก็ได้ใจเราสบายหรือเปล่าใจเรายังโลภยังโกรธยังหลงยังหลงอยู่หรือเปล่ายังวิตกยังกังวลยังห่วงนู่นยังห่วงนี่อยู่หรือเปล่าถ้ากังวลก็แสดงว่ายังมีนู่นมีนี่เป็นของเราอยู่ถ้าไม่มีอะไรเป็นของเรามันก็ไม่ห่วง ที่มันห่วงเขามันยังเป็นของเราอยู่ลูกเราเนี่ยลูกชาวบ้านเราไม่เห็นห่วงเงินของชาวบ้านเขาก็ไม่เห็นห่วงแต่พอมันเป็นเงินของเราขึ้นมาห่วงเลยอยู่ในธนาคารปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปยึดอะไรอย่าไปถืออะไรว่าเป็นของเรามันจะทำให้เรากังวลจะทำให้เราทุกข์จะทำให้เราห่วงใหญ่จะทำให้เราไม่สบายใจ ถ้ามองทุกอย่างว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วมันโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้มันเป็นของเราได้ยังไงถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องเอาไปได้แต่ถ้าเราไปไม่ได้เราไปกังวลกับมันทําไมก็ปล่อยมันไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเรากับมันก็ต้องจากกันอยู่ดีลูกเราเราเคี้ยวจะอยู่กันไปตลอดเย มันก็ต้องมีวันพัฒภาคจากกันสามีเราภรรยาเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเรานี้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมันจะต้องมีวันหมดไปให้พยายามนึกอยู่บ่อยๆว่าสัพเพ ธ, ธรมาอนัตตาไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราว แล้วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันหมดมีวันดับไปถ้าเลี้ยวอย่างนี้แล้วเวลาจากกันมันจะรู้สึกเฉยๆตอนนี้ไม่ได้ฉันไม่ได้เทศที่สาลาตอนเช้าก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกสบายไม่เหนื่อยกินแล้วก็นอนวันนี้สามโมงเช้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนอนได้ถึงเนี่ยถึงบ่ายแล้วใกลมาเทศยังไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ เมื่อก่อนท้าเทศอยู่ที่สารากว่าจะกลับมาถึงกุฏิได้ก็สิบเอ็ดโมงกว่ากว่าจะขึ้นมาถึงบนเขาได้นี่ก็เที่ยงกว่าพักได้ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวลงมาเทศนะนี่ตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายโมงกว่านี่มีเวลาสบายไม่เหนื่อยไม่ต้องพูดอะไรนี่คือนี่คือการเปลี่ยนแปลง มันอย่าไปถืออย่าไปยึดว่าเป็นของเราแล้วสบายอยู่อย่างอยู่อย่างไม่มีอะไรอยู่อย่างไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆ <c oughs> <c oughs> เวลามันไปจะไม่เดือดร้อน <c oughs> เวลามันมากับเดือดร้อนเพราะไม่อยากจะมีมีแล้วมันยุ่งมีแล้วเป็นภาระเปล่าๆถึงแม้ว่าจะจะไม่อยากได้แต่บางทีมันก็มามันมาแล้วก็ต้องจัดการกับมันดูแลกับมัน ให้มันไปในที่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมีการกระทำไม่ต้องมีการดูแลการจัดการกับสิ่งต่างๆที่มางั้นพยายามอยู่แบบไม่มีดีกว่ามีให้น้อยที่สุดมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดมาก็ได้ไม่มาก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้แล้วจะมีความสุขตลอดเวลามีคำถามเข้ามาอีกไหม มีเข้ามาอีกสี่คำถามครับพระอาจอารย์คําถามจากคุณแอมครับเวลาที่ดิฉันทําบุญจิตของดิฉันว่างเปล่าไม่ขอและไม่หวังสิ่งใดไม่รู้ทุกข์และไม่ได้สุขได้หรือไม่คะแต่หลังจากทําบุญเมื่อนึกถึงรู้สึกปิติคะ่ะถ้าเราทําบุญแล้วไมีความสุขก็ทําถูกแล้วเนะี่ยทาบุญเพื่อความสุขใจ เราไม่ได้ทำเพื่อได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ถ้าเขาจะให้มาเราก็ไม่ไม่ังเกียดเช่นเราทำบุญที่ไหนแล้วเขามีของชําร่วยแจกเราขังตอบแทนบุญคุณหรือแสดงน้ำใจเราก็รับไว้แต่เราเป้าหมายเราเราไม่ได้ต้องการของรับของจากคนที่เราไปทำบุญด้วยเราต้องการความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับเขาเท่านั้นเอง คำถามจากคุณสกลครับขอถามต่อจากคำถามแรกครับเรื่องของการคุมสติเวลาคุยนะครับแล้วถ้าเราจับลมหายใจไปด้วยขณะฟังขณะพูดกับคนอื่นจะดีไหมครับไม่ดีหรอกก็ต้องตั้งสติอยู่ที่เสียงที่เขาพูดมาสิอย่าไปดูลมเดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาพูดอะไรมัวแต่ดูลมเข้าลมออกเขาดา่าเขาพูดอย่างนู้นอย่างนี้เราก็อาจจะ ฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวก็พูดตอบเข้าไปผิดผิดถูกถูกเองเห็นต้องตั้งใจฟังตั้งใจพูดคําว่าตั้งใจก็คือการมีสติเวลาจะพูดก็ตั้งใจพูดว่าเรากำลังจะพูดอะไรพูดถูกหรือไม่ถูกควรจะพูดหรือไม่ควรพูดเวลาฟังก็ตั้งใจฟังว่าเขาพูดอะไรเพื่อเราจะได้เข้าใจความหมายแล้วเราอาจจะต้องหาคําตอบให้กับเขาเห็นไม่อย่าไปมีสติอยู่ที่ลมหายใจ การมีสติที่ลมหายใจนี่เหมาะตอนที่เรานั่งเฉยๆคนเดียวนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเรียกอานาปนาสตินั่งทำสมาธิแต่เวลาทำกิจกรรมต่างๆให้มีสติอยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่กำลังพูดก็ให้ก็อยู่กับการพูดกำลังฟังก็ให้อยู่กับการฟังจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดฟังแล้วจะได้ไม่ผิดพลาด ถ้าเขาพูดมาแล้วเราไปดูลมหายใจเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาถามว่ากุติอยู่ที่ไหนไปตอบว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเนี่ยเพราะมัวแต่ดูลมเราไปคิดว่าก็ถามว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ความจริงเ็าถามว่ากุติอยู่ที่ไหนแต่ไม่ได้ยินเพราะใจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นไปอยู่กับเรื่องอื่นแทนนั้นต้องมีสติอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทาอยู่ ไม่ว่าจะพูดหรือจะฟังไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่คำถามต่อไปจากน้องมั่งมีศีสุขครับส่งจิตไปตำหนิผู้อื่นผิดมากไหมคะก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์ซึ่อส่งจิตมาตำหนิเราจะได้ประโยชน์กว่าเพราะว่าความผิดของผู้อื่นมันไม่เกี่ยวกับเรา ทำให้เขาถูกมันก็ไม่ได้ทำมันก็เราก็ไม่ได้อะไรจากการที่ไปตาหนิเขาแต่ตําหนิเราจะได้ประโยชน์กว่าถ้าเราตําหนิเราเราจะได้แก้ตัวเราได้ก็เราไม่ดีเลยเนี่ยเราชอบพูดปดเนี่ยตำหนิตัวเราสิแล้วเราจะได้แก้ไขไม่ดีเลยชอบดื่มสุราอ่อย่าดื่มดีกว่าตาหนิตัวเองแล้วจะได้ประโยชน์กว่าเพราะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขความผิดของเราให้มัน หมดไปจากตัวเราแล้วตัวเราจะได้มีแต่ความถูกต้องดีงาม mm hmm. ยิงอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าทุกครั้งจะตำหนิใครรีบวกกลับมายูเทิร์นไมต่ต้องต้องตำหนิเราก่อนไปตำหนิเขาทำไมเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปตำหนิไปดูแลเขาเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลตัวเราตำหนิตัวเราจะดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณวัชสันครับเอาสุดท้ายเรื่องอ คสุดท้ายคำถามสุดท้ายการเรียนถามพระอาจารย์ครับสมาธิขั้นต่ำระดับไหนที่พอเพียงเพื่อเดินวิปัสสนาเพื่อถัวความหลุดพ้นความหลุดพ้นเอหัสผลครับสมาธิขั้นไหนมันก็เหมาะกับวิปัสสนาขั้นนั้นเนี่ยสมาธิขั้นต่ำก็เหมาะกับวิปัสสนาขั้นต่ำสมาธิขั้นตามขั้นกลางก็เหมาะกับวิปัสสนาขั้นกลาง